Thank <laughs> you. ใจของคนเรานะมันชอบท่องเที่ยวนะเปลี่ยนเหมือนเด็กใจแตกนะไม่ค่อยกลับมาอยู่บ้านเท่าไหร่มีลักษณะที่เรียกว่าอยู่ไม่สุขนะเคยคล้ายกับลิงนะโดดไปโดดมายนั่นแหละลักษณะอีกอย่างหนึ่งนะที่เร า, า จ, จะสังเกตได้คือว่ามัน อ่อนอ่อนได้ง่ายนเนี่ยเปรียบไปก็เหมือนกับไม้หลักปักที่เลนนั่นนะเอาแนวนอนไม่ได้นคนยุคนี้เนี่ยถึงแม้จะมีความรู้มีความคิดมีความก้าวหน้านในทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยียังไงมันก็ยังทิ้งนิสัยอย่าง ที่พูดมานี่ไม่ได้ก็เคยมีการทดลองกับคนประมาณสักสามสิี่ิคนเป็นการทดลองง่ายๆเขาฉายภาพให้ดูเส้นสามเส้นเสร็จแล้วก็มีเส้นที่สี่มาคำถามง่ายๆคือว่าเส้นใดในสามเส้นเนี่ยที่มันมีความยาวขนาดเท่ากับเส้นที่สี่ คือโดยจดูด้วยตาเปล่าก็เห็นนะมันไม่ได้ยากอะไรทุกคนก็มีคำตอบ ใ, ในใจแต่ว่าการทดลองนี้เขาทำให้มันยากกว่านั้นนะก็คือให้มีหน้าม้าเนี่ยคอยปรับปนอยู่ประมาณสี่ห้าคนในกลุ่มนั้นแล้วก็เริ่มต้นถามหน้าม้าคนที่หนึ่งก่อนว่า เส้นไหนเนี่ยหนึ่งในสามเส้นนะ่ะที่มันขนาดเท่ากับเส้นที่สี่หน้ามาก็แก้งตอบผิดเนะี่ยถามหน้าม้าคนที่สองคนที่สองก็ตอบผิดอีกถามคนที่สามคนที่สี่นะประมาณตั้งสามสี่คนนะก็นัดหมายพร้อมกันให้ตอบผิดนะแต่ว่าคนที่อยู่ในการทดลองเนะี่ยเขาไม่รู้นะว่าสามสี่คนแรกนี่คือหน้ามา้า นั่นพอคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่ตอบไปอีกทางหนึ่งคนที่เหลือก็เริ่มคล้อยตามแล้วก็ตอบเหมือนคนสี่คนแรกซึ่งเป็นคําตอบที่ผิดเท่านั้นที่ก่อนนั้นตัวเองก็มีคําตอบอยู่ในใจซึ่งเป็นคําตอบที่ถูกนะเพราะว่ามันเห็นด้วยตามก็รู้อะนะแต่พอสี่คนแรกเนี่ยตอบไปอีกทางหนึ่ง คนที่ห้าคนที่6ก็คล้อยตามหรือเคเวะเราว่าส่วนใหญ่ตอบผิดนะเเปเตอบผิดมันมีแค่ 25% นที่ตอบถูกคือถ้าไม่มีหน้ามาสี่คนแรกเนี่ยนะก็คิดว่าร0อยเเตอบถูกหมดนะแต่พอมีสี่คนแรกพูดตอบไปอีกทางหนึ่งมันก็ชักจูงให้คนที่เหลือส่วนใหญ่เนี่ยคล้อยตาม อันนี้การทดลองนี้เขาเชื่อว่าคนเรานี่ไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนความรู้จบปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกบางทีก็คล้อยตามง่ายนะใจเนี่ยคล้อยตามคนอื่นได้ง่ายทั้งทั้งที่เดิมก็มีความคิดของตัวเองอยู่แล้วนแต่พอคนหลายคนเขาพูดอีกต่ออีกทางนึงก็ใจก็คล้อยตาม ยาว่าแต่คนหลายคนพูดให้เขวเลยนะบางทีแค่คนคนเดียวก็สามารถทำให้คนจำนวนมากเขวได้เคยมีการทดลอยอันหนึ่งนะก็ให้มีแกล้งแ้คล้ายๆเป็นอุบัติเหตุรถชนรถเฉียวกันตรงแถวสี่แยกนะซึ่งมีคนมุงอยู่เยอะคนที่เห็นเหตุการณ์ก็มีเยอะนะหลายสิบคนและตอนที่เกิดอุบัติเหตุนเะนี่ย คนส่วนใหญ่ก็เห็นนะว่าไฟจราจรเป็นสีแดงแต่ทันทีที่เกิดเหตนุนี่ก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยซึ่งจะได้เป็นหน้ามาก็ได้ก็ไปพูดกับคน น, ค น, นั้นคนนี่ว่าไอ้ตอนที่เกิดเหตุนี่นะไฟจราจรเป็นสีเขียวก็พูดอยู่กับคนที่สังเกตการอยู่ในเหตุการณ์หลายคนนะ เสร็จแล้วเขาก็ไปให้นักข่าวนะหรือว่าคนที่ไปสอบถามเหตุการณ์เนี่ยก็ไปถามว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยสัญญาณไฟจรา จ, จรสีอะไรบอกว่าส่วนครึ่งหนึ่งเนี่ยบอกสีเขียวทั้งที่ตอนแรกนี่ก็เห็นว่ามันสีแดงนะแต่พอมีคนมาบอกว่าเอ๊ะมันสีเขียวนะเนี่ย แค่คนคนเดียวก็คล้อยตามก็กลายเป็นว่าเครึ่งหนึ่งเนี่ยนะตอบผิดนะทั้งทั้งที่เพิ่งเห็นเหตุการณ์เมื่อไม่ถึงห้านาทีก็เห็นว่ามันสีแดงนะแต่พอมีคนมาบอกว่าสีเขียวนี่ก็คล้อยตาม ใ, ใจคนเรานี่ถึงบอกว่ามันจะว่าไปก็เหมือนกับไม้หลักปักขี้เลนนะคือคล้อยตามถูกชักจูงได้ง่าย อันนี้ก็เลยไม่ต้องสงสัยทำไมทุกวันนี้ถึงแม้คนเราจะมีความรู้มากขึ้นหนูก็ยังลงเชื่อข่าวลือนะข่าวลวงเป็นวักเป็นเวรกันอย่างง่ายๆไอการมีเทคโนโลยีมากขึ้นเช่นวิทยุโทรศัพท์โทรทัศน์หรือเดี๋ยวนี้มีโซเชียลมีเดียนะลายเฟซบุ๊กนี่มันไม่ได้ทำให้คนนี่ ฉลาดขึ้นเลยนะบางทีนะกับเป็นตัวเผยแพร่ข่าวลือให้คนเนี่ยหลงผิดเชื่อผิดเนี่ยมากขึ้นอาจจะมากกว่าคนอายุใดสมัยใดก็ได้เพราะสมัยก่อนเนี่ยข่าวลือข่าวลวงนี่มันก็จํากัดแค่คนบางกลุ่มสถานที่บางสถานที่แล้วก็ข่าวลือข่าวลวงก็ไปได้ช้า เพราะว่าต้องอาศัยคนเดินปากต่อปากแต่ทีนี้นะความเท็จหรือข่าวลวงนี่มันแพ้่เร็วพอๆกับเสียงความเร็วเท่าเสียงเอาความเร็วเท่าแสงนะเพราะว่าไอโ้โทรศัพท์โทรทัศน์คอมพิวเตอร์พวกนี้สมาร์ทโฟนพวกนี้มันมันทงานโดยสายไฟฟ้าไฟาฟ้านี่มันมันเร็วเท่าแสงนะ ข่าวลือข่าวรวมก็เร็วเท่าแสงนะความโง่ก็เลยแพร่กระจายไปเทนะ่าๆกับแสงนะนะสมัยก่อนนี่ความเร็วมันก็แค่เท่ากับคนเดินหรือเท่ากับมา้าความเร็วของมา้าแต่ทีนี้มันเร็วมากขึ้นที่เป็นชนี้เพราะคนเรานี่จิตใจคนเรามันอ่อนอ่อนง่ายก็มีเหตุผลที่อธิบายนะว่าคนเราก็มีเป็นเพราะคนเรามีสันทัตยาน หมู่สัญชาตญาณฝูงเราอยู่กันเป็นฝูงนะเราไม่ได้อยู่กันแบบเอกเทศเหมือนพวกเสือนะเสือนี่มันหากินตัวเดียวเราอยู่ป็นฝูงนะแบบช้างแบบลิงมันก็ต้องคล้อยตามฝูงได้ง่ายแต่จริงๆเนี่ยมันไม่ต้องไม่ใช่ว่าคนเราจะคล้อยตามเฉพาะเสียงลือเสียงพูดนะเราคล้อยตามอะไรต่ออะไรอีกมากมาย นะรูปลดกินเสียงนะสัมผัสนะมันเกิดขึ้นนะเรียกว่าเกิดผัดสสะเมื่อใดใจเราก็คล้อยนะเสียงก็ดีก็สามารถจะดึงจิตของเราออกไปส ม, สมมติมีเสียงดังอยู่ข้างล่างเนี่ยนะเสียงคนพูดคุยกันพอได้ยินเสียงปุ๊บนี่ใจเราคล้อยไปเลยไปดูว่าไอ้เขาพูดอะไรกันเ็าคุยอะไรกัน เราคล้อยตามลูกลดกินเสียงได้ง่ายนะใจเนี่ยนะมันถึงเกิดปรากฏการณ์ที่ว่าส่งจิตออกนอกนะแต่จะว่าไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่ลูกลดกิ่นเสียงนะที่มันสามารถจะทำจะดึงใจของเราให้เขวแม้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในใจที่เราทำอารมณ์เช่นอารมณ์ความคิดเนี่ยมันก็สามารถจะดึงใจเราให้เขวได้นะ หรือคล้อยไปได้ง่ายนะเวลาเราเวลามีความคิดอะไรเกิดขึ้นในใจเนี่ยสังเกตไหมเราโจรเลยใจของเราโจรเข้าไปในความคิดนั้นเลยคิดเรื่องอะไรเนี่ยเผือคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงลูกคิดถึงงานเนี่ยแค่แว บ, บเดียวเท่านั้นแหละใจเราคล้อยตามเลยก็โจนเข้าไปคิดต่อเนื่องเป็นวักเป็นเวนนะ กจะมารู้ตัวอ้าวคิดไปหลายเรื่องแล้วเนี่ยอันนี้เราใจมันคล้อยตามแม้กระทั่งอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจมีความคิดใดเกิดขึ้นปุ๊บนี่ใจคล้อยตามเลยทั้งๆ ท, ง ท, งที่ตั้งใจว่าจะนั่งสร้างจังหวะให้รู้สึกตัวให้รู้สึกตัวกับการเดินรู้สึกตัว ก, การกินให้ใจอยู่กับนะการฟังแต่พอมีความคิดใดเกิดขึ้นปุ๊บใจมัน นะคล้อยโดดเข้าไปหาความคิดเลยหรือว่าปล่อยให้ความคิดมันชักจูงไปจริงไหมลองสังเกตดูอารมณ์ก็เหมือนกันนะอารมณ์ก็พอเกิดขึ้นปุ๊บแค่แว บ, บเดียวเนี่ยนะมันก็สามารถจะดึงใจแล้ให้คล้อยให้เข้าไปจมอยู่ในอารมณ์นั้นได้มันก็แปลนในความคิดและอารมณ์เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็น ความดีใจเสียใจความโกรธความเศร้าเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จิตปรุงแต่งขึ้นมาแต่พอมันเกิดขึ้นมาทั้งที่เป็นสิ่งที่ถูกปรุงโดยจิตนะแต่จิตมันก็จะคล้อยตามสิ่งที่มันปรุงขึ้นมาเองมันเหมือนกับเปลียบเมื่อคนที่เป็นนักวิทยากล น, นะก็สามารถจะหลอกคนดูได้เช่นดึงกระต่ายออกมาจาก หมวกที่มันว่างเปล่าดึงไข่หยิบไข่ออกมาบางทีก็หยิบหรือดึงนกออกมาจากจากท้องก็ได้ไอ้ น, นี่มันเป็นกลลวงนะปกตินักเล่นวิทยากรเนี่ยนักมายากลเนี่ยเาก็ร่วมเป็นของหลอกก็ไม่เชื่อหรอกแต่ว่าเขาสามารถทำให้คนอื่นเชื่อได้แต่ว่าจิตเนี่ยนะ มันปรุงอะไรขึ้นมานะแล้วมันก็เผลอเชื่อในสิ่งที่มันปรุงอันนี้แปลกนะเหมือนกับนักเล่นมายากลที่เชื่อในสิ่งที่ตัวเองหลอกคนอื่นดึงกระต่ายออกมาจากหมวกนะก็เชื่อมันมีกระต่ายในหมูกจริงๆด้วยนะใจเราเป็นอย่างนั้นนะมันปรุงอะไรขึ้นมาเนี่ยนะไม่ว่าจะคิดเรื่องอะไรเรื่องอดีตเรื่องอนาคตคิดปุ๊บเนี่ นะมันเชื่อปั๊บเลยว่าเอ้ยมีจริงแล้วมันก็คล้อยตามสิ่งที่มันปรุงขึ้นมานะไปไหนไม่รู้นะไปไกลเลยนะอดีตก็ตามอนาคตก็ตามแล้วพอใจที่มันอ่อนอ่อนง่ายนี่แหละนะที่มันทำให้เราทุกข์นะทุกข์กับเรื่องที่ผ่านไปแล้วนะกี่ปีก็ตามยี่สิบปีสาสิบปีก็ยังทุกข์นะ ทั้งที่มันผ่านไปแล้วทั้งที่เราก็รู้ว่ามันไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้แต่ใจยังคล้อยตามไปกับความคิดนั้นมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นมันก็หลงเชื่อไปตามอารมณ์นั้นเป็นใจที่ในความอ่อนอะ่อนคล้อยตามง่ายนี่แหละนะที่มันทำให้เราทุกข์ไม่เลิกลา กำลังจะหลับอยู่แล้วนะพอมีความคิดนึงผุดขึ้นมาใจามันก็โจรไปเลยนึกคิดต่อเนื่องไปสารพัดจากเรื่องงานไปถึงเรื่องลูกไปถึงเรื่องพ่อแม่ไปถึงเรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองไปถึงเรื่องการาเลือกตั้งประธานทธิบดีในสารัฐไปทั่วที่ทั่วแดนเลย ก็เลยนอนไม่หลับเนะีนั่นใจที่มันโอนน่อนคล้อยตามง่ายเนี่ยหลงเชื่อความคิดและอารมณ์ง่ายเนี่ยนะมันเป็นใจที่สร้างความทุกข์ให้กับเรามากอย่างที่หลวงพ่อคำเขียนจะใช้เรียกว่าโสเพนิจิตนะะคือจิตซ้าซอนคือแต่ว่าโสเพนิจิตเนี่ยนะโสเพนเนี่ยมันเป็นหลอกล่อคนอื่นนะแต่ว่าใจเราเนี่ยมันกลับถูกสิ่งอื่นหลอกล่อมากกว่าแล้วหลอกได้หลอกล่อได้ง่ายด้วย ถ้าเราปล่อยใจเป็นอย่างนี้เนี่ยนะก็คงหาความสุขได้ยากแล้วที่สาคัญคือว่าในหัวเราเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่คอยหลอกล่อใจนะท่านติด น, าทานัทธันท์เขาบอกว่าในหัวเราเนี่ยมันมีสถานีวิทยุ NST นะสถานีวิทยุ NST แปลว่า n อนส t ็อปท i n กิ้งก็คือคิดไม่หยุดนะคิดไม่หยุดก็คือว่ามันมีเสียงออกมาอยู่เรื่อยนะสถานีวิทยุนี่มัน มั น, ส, ส, ามานส่งเสียงออกมาอยู่เรื่อยนะส่งเสียงมาในหัวเราและใจมันคล้อยตามนยคล้อยตามเสียงนั้นสุดแท้แต่ว่ามันจะคิดเรื่องอะไรใจก็ไปเลยแม้แต่ในยามหลับนะไอสถานยุทธิทิวนี่ก็ไม่หยุดนะก็ส่งเสียงกระจายเสียงสารพัดใจก็ไปด้วยขนาดหลับแล้วก็ยังฝันคล้อยตามนะความคิดต่างๆที่ หรือคล้อยตามเสียงที่สถานิวิทยุนี่มันมันเผยแผ่ออกมาตื่นแล้วก็ยังเสียงในหัวก็ยังไม่หยุดและใจก็คล้อยตามเสียงนั้นถูกเสียงนั้นหลอกล่อชักจูงก็เลยกว่าหลงแล้วก็ลืมตัวตลอดเวลานั้นทำไให้ใจเราเนี่ยกลายเป็นจิตกลายเป็นใจที่อ่อนอ่อนนะไปตาม สิ่งที่ชักจูงไม่ว่าข้างนอกหรือว่าในหัวต้องสร้างนะสร้างที่มั่นให้กับจิตใจของเราทำให้จใจเราเนี้มั่นคงเข้มแข็งไม่โอนอ่อนง่ายไม่เหมือนไม้หลักปักคิดเลนสิ่งที่จะช่วยให้ใจเราเนี่ยไม่คล้อยตามง่ายคือสตินะสติมันคอยทักท้วงคอยเตือนเวลาใจมันจะคล้อยตามความคิดหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นสติมันจะทักท้วง นะเตือนให้กลับมารู้สึกตัวพอรู้สึกตัวแล้วมันก็ไม่โจนเข้าไปในความคิดไม่โจนเข้าไปในอารมณ์มันก็เห็นว่าความคิดและอารมณ์เกิดขึ้นในใจนะแต่ว่าไม่ลงเชื่อไม่คล้อยแล้วก็ไม่เขวเนะีมันจะคิดก็คิดไปมันจะมีอารมณ์เกิดขึ้นก็ช่างมันนะสติทําให้จิตกายเป็นผู้ดูนะเหมือนกับเราดูละครนะ ก็ร่วมเป็นละครนะไม่โจรเข้าไปเป็นผู้เล่นด้วยคนที่ดูละครนะถ้าลืมตัวนี่นะมันก็โจรเข้าไปเป็นผู้เล่นนะหรือไม่บางทีก็เข้าไปเล่นงานตัวละครตัวละครบางตัวนี่เป็นตัวอิจฉานะเล่นอยู่บนวิกนะบนเวทีคนดูที่อินมากๆากนี่ก็ไปหลงเชื่อเป็นความจริงนะ บางทีตัวละครตัวอิชานิโพมาบนเวทีก็เอาน้าเอาขวดน้ำคว้างก็มีเอาไข่เน่าปลาก็มีไม่ว่าจะในวิกวิกฤตเกหรือว่าเวทีละครมันก็มีคนแบบนี้นะคือมันคล้อยตามจริงว่าเนี่ยไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีหรือบนวิกฤตเกนี่เป็นของจริงนะแต่ถ้าว่าเราอ่ามีสตินี่นะมันก็จะ เตือนก็จะทักท้วงว่าไอ้นั่นมันเป็นมายามันไม่ใช่ของจริงมันเป็นเรื่องสมมุติขึ้นมาหรือว่ามันเป็นอีกอันหนึ่งที่เราทำหน้าที่เป็นผู้ดูให้ความรู้สึกตัวเนี่ยนะมันเกิดขึ้นได้เพราะเรามีสติทุกวันนี้เนี่ยที่เราคล้อยตามกับอะไรง่ายๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสียงชักจูงจากภายนอกหรือว่าความคิดอารมณ์ที่มันคอยโน้มน้าวใจเราเนี่ย เป็นเพราะเราไม่มีสติไม่มีความรู้สึกตัวใครพูดอะไรก็เชื่อตอนนั้นเนี่ยใจมันออกไปนอกตัวแล้วคล้อยตามง่ายๆทาความสึกตัวให้เกิดขึ้นมีสติรู้ทันเนะี่สติมม่ช่วยทําให้เราเนะี่ยจะไม่ใจนี่ยมันเห็นอารมณ์ต่างๆเห็นความคิดต่างๆที่เกิดขึ้นเห็นแล้วก็ไม่ไม่ไม่คล้อยตามคล้อยตามเนี่ยมันก็มีทั้งสองแบบนะคือว่า เพลินไปกับสิ่งนั้นหรือมีเช่นั้นก็เข้าไปรวมร่อนพันตูด้วยมีความโกรธเกิดขึ้นใหม่ๆก็คล้อยตามความโกรธก็โกรธเป็นวักเป็นเวรแต่ตอนหลังเริ่มจะมีสติเอะเริ่มจะรู้ว่าความโกรธไม่ดีก็พอมันเกิดขึ้นก็ไปกดข่มมันเอาไว้อันนี้มันก็ไม่ใช่นะเพราะถ้าเราเผลอไปกดข่มมันเมื่อไหร่ก็เท่ากับตกเราตกหลุมพรางของมัน ตกหลุมพรางของมันมันเหมือนกับพราเนี่ยนะเวลาจะดักจับนกหรือจับไก่เนี่ยก็จะไม่ใช้เหยื่อนะไม่เหมือนจับปลาจับปลานี่ใช้เหยื่อปลามันชอบเหยือ่อมันก็เข้าไปกินเหยือ่อมันก็โดนเบ็ดเบ็ดเนี่ยแทงปากนะอันนี้ก็เสร็จนะแต่ว่าจับนกจับไก่เนี่ยเขาใช้อีกอย่างหนึ่งนะ ก็คือใช้นกหรือไก่ที่เป็นที่มาจากข้างนอกสัตว์แปลกถิน่นนกหรือไก่พอมาู้วามีมีสัตว์แปลกถิ่นเข้ามาเนี่ยมันจะทำยังไงมันจะตรงเข้าไปเพื่อขับไล่นะไม่เหมือนปลาที่มันไปกินเหยื่อนะปลามันชอบเหยื่อก็ไปกินเหยื่อแต่ว่านกหรือไก่เนี่ยนะ มันจะตรงเข้าไปจัดการกับ น, นกต่อหรือว่าไก่ต่อเนี่ยเพื่อไล่มันออกไปพยายามผลักสายมันออกไปแต่พอเข้าไปผลักสายเท่านั้นแหละก็ติดบ่วงเลยเนะบ่วงของพรานเขาดักเอาไว้พอเขาลวนนิสัยของมันเนี่ยมันจะต้องไปไล่นะไปไล่นกต่อไปไล่ไก่ที่แปลกถิน่นพอไปผลักสายเข้าก็เลย ติดบ่วงของมานนะเวลาเราจะไปผักใสไล่อารมณ์นะไล่ความคิดฟุ้งซ่านก็เหมือนกันนะมันล่อให้เราเข้าไปผักใสพอเข้าไปผักใสก็ติดเลยนะเกิดอาการที่เรียกว่าขัดใจนะขัดใจนะขัดใจคืออะไรขัดใจคือว่ามันไม่พอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนะเวลาเราเจออะไรที่ไม่ชอบเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึก ข, ขัดใจเช่น เสียงดังแดดร้อนนะหรือว่าอาหารแม่อร่อยนะขัดใจถ้าเป็นอาหารที่อร่อยเสียงไพเราะลมเย็นสบายก็เรียกว่าติดใจนะแต่ไม่ว่าติดใจหรือขัดใจนี่มันก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละติดใจก็ทําให้นึกถึงกินอาหารอร่อยนะพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์ไอติมนะ หรือว่าได้ฟังเพลงที่เพอ่อหรือว่าได้ยินหญิงหญิงได้เห็นหญิงสาวที่สวยหนุ่มที่หลอ่อผ่านไปแล้ววันสองวันก็ยังนึกถึงด้วยความอาลัยจะปฏิบัติก็ปฏิบัติไม่ได้เพราะมันหวนคิดนะถึงสิ่งที่ติดใจบางคนติดใจแล้วก็นอนไม่หลับนละยได้ยินเสียงหญิงสาวที่พูดกับตนด้วยความหวานไพเราะแล้วมันติดใจมันอยากจะได้ฟังได้ยินอีกนะ เห็นหญิงสาวหรือชายหนุ่มนะหลอก็อยากจะเห็นอนกติดใจหรือแม้แต่เวลาปฏิบัติได้ความสงบนะได้ได้ได้ความสงบได้ความปิติก็ติดใจวันรุ่งขึ้นเวลาทำก็ยังหวนคิดถึงอารมณ์นะที่น่าพึงพอใจความสงบอยากจะได้อีกแต่พอไม่ได้นี่ก็เริ่มขัดใจแล้ว ติดใจก็ทําให้ทุกข์นะติดใจก็ทําให้ทุกข์นะทุกข์เมื่อมันหายไปสิ่งที่เราติดใจแล้วมันหายไปหรือว่าไม่สามารถจะหวนกลับมาได้ส่วนขัดใจเนี่ยนะมันก็เกิดขึ้นมันก็ทุกข์เหมือนกันนะัแต่มันเกิดขึ้นทันทีก็ไม่ดีทั้งนั้นหลวงพ่อชาตนเปรียบว่าความสุขเนี่ยที่ทําให้เพลินนะมันเหมือนหางขังงู ส่วนความทุกหรือทุกขเวทนานี่ที่ทําให้เราอยากผักใส่นี่ก็เหมือนกับหัวงูจับหัวงูมันก็กัดจับพางงูถ้าไม่รีบวางนะงูมันก็แหวงมากัดนะลงท้ายก็ทุกเหมือนกันนะไม่ว่าติดใจหรือขัดใจนี่ก็ไม่ดีทั้งนั้นแต่ถ้าปล่อยให้ใจอ่อนๆนะมันก็จะวนเวียนอยู่กับเรื่องที่ติดใจแล้วก็เรื่องที่ขัดใจนี่นหละ นะเจออารมณ์รูนะรถกินเสียงที่น่าพอใจก็ติดใจพอติดใจแล้วมันก็ไม่ไปไหนมันก็ยังอยู่กับอดีตหรือไม่ก็ฝันหวานกับอนาคตนะว่าจะได้เจอสิ่งที่ติดใจอีกมันก็ทนอยู่กับปัจจุบันไม่ได้ก็ทุกข์อีกแบบหนึ่งขัดใจก็ทำให้ทุกขนะ์อันนี้ก็พใพเนีใจมันคล้อยตามใน รูปลดกลิ่นเสียงผัสสะแล้วก็ธรรมารมที่เกิดขึ้นได้ง่ายคำว่าติดใจขัดใจเนี่ยนะมันก็มีความหมายเหมือนกันนะติดมันก็แปลว่าไปไหนไม่ได้นะเหมือนกับว่าติดในบ่วงหรือว่าโดนเบ็ดมันเกี่ยวนะขัดใจเนี่ยคาว่าขัดนี่ก็แปลว่ามันขัดมันคล่องภาษาแทนทีแล้วใช้ติดใช้คู่กันติดขัดนะ พอขัจาก็ไปไหนไม่ได้เนี่ยมันจมนะมันติดมันขัดอยู่กับอารมณ์เช่นพอเจอความขัดใจพอเจออะไรที่ขัดใจนมันก็จะใจมันก็จมอยู่กับความโกรธความไม่พอใจใครเขาพูดด่าเราติดเตี้ยเรามันขัดใจโกรธมันก็ใจมันก็อยู่วนไปบนมาอยู่กับสิ่งนั้นแหละไม่ชอบอะไรใจก็จะคิดถึงแต่สิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นโกรธเกลียดหรือกลัว โกรธอะไรใจก็จะวนเวียนอยู่กับสิ่งที่โกรธคิดแล้วคิดอีกเกลียดใครนะใจมันก็จะนึกถึงคนนั้นอยู่บ่อยๆแล้วก็จะไวมากเวลาอยู่ในห้องประชุมคนเป็นร้อยเนี่ยพอมีคนที่เราเกลียดเนี่ยโผล่เข้ามาในห้องเนี่ยใจมันจะโผล่ไปจ้องจับอยู่คนนั้นเลยแล้วก็จะคอยจดจอ่อจับตาดูคนคนนั้นอยู่ เกิดไปทุกเวลาทุกนาทีใครมาชวนคุยใจมันก็ไม่สนใจจะคุยด้วยมันก็จะไปจ่ออยู่ตรงกับคนที่เราเกลียดซึ่งอยู่ในห้องซึ่งมันทีก็อยู่ไกลเนี่ยอันนี้ก็เป็นความยึดติดแบบหนึ่งเหมือนกันนะความกลัวก็เหมือนกันกลัวอะไรเนี่ยใจมันก็จะนึกถึงสิ่งที่กลัวกลัวตุ๊กแกกลัวผีมันก็จะความคิดก็จะวนเวนอยู่ตรงนั้นแหละ มันก็เป็นการติดอีกแบบหนึ่งนะติดบ่วงอันนี้เพราะว่าใจที่โอนอ่อนง่ายเนี่ยไม่ว่าโอนอ่อนในหาสิ่งที่เพลินเนสิ่งที่ให้ความสุขมันก็ติดนะหรือว่าอยากจะผลักไสสิ่งที่ทําให้ทุกข์มันก็เกิดการข้องขัดขึ้นมาติดขัดขึ้นมาทําให้ไม่อสระ เราต้องทำาจเรานี่ให้เข้มแข็งมั่นคงนะโดยการที่มีสติแล้วถ้าเรามีสติแล้วเนี่ยเวลาเจออะไรต่ออะไรเนี่ยไม่ว่าจะสิ่งที่น่าเพลินใจที่เคยทำให้ติดใจหรือสิ่งที่ทำให้ไม่สบายใจที่ทำให้เกิดความขัดใจเนี่ยถ้าเรามีสตินะมีความสึกตัวเนี่ยพอเจอสิ่งนั้นบ่อยๆเนี่ยมันกับดีนะ อย่างเช่นพอความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นพอความโกรธความเกลียดความหงุดหงิดความกวนก็วายความกลัวเกิดขึ้นถ้าเรามีส ต, ติมีความรู้สึกตัวนะการเกิดแต่ละข้างเนี่ยเป็นประโยชน์นะเพราะว่ามันทําให้เราได้รู้จักมันมากขึ้นเรารู้จักอารมณ์เหล่านี้มากขึ้นรู้แล้วมีประโยชน์ยังไง ร, รู้แล้มียกก็ตรงที่ว่าทําให้เร า, าหลงเชื่อมันน้อยลง เรารู้จักมันดีขึ้นเราก็หลงเชื่อมันน้อยลงเราก็จะโอนอ่อนคล้อยตามมันน้อยลงแต่ก่อนมันโผล่มาทีไรคล้อยตามมาทุกทีหลงเชื่อมาทุกทีแต่พอมันเกิดขึ้นบ่อยหรือเจอมันบ่อยบอย่บ อ, ยบอยเนี่ยนะเรารู้จักมันดีขึ้นพูดแบบภาษาธรรมะคือว่าเรา จ, จดจําสภาวะอารมณ์ได้จดจาได้ว่า ไอ้ความโกรธนี่มันมีสภาวะอาการแบบนี้นะความเกลียดมีสภาวะแบบนี้ความเบื่อนะความง่วงมีสภาวะแบบนี้รูปร่างหน้าตาแบบนี้นะหรว่าความฟุ้งซ่านนี่ที่มันทําให้เราหลงเนี่ยนะมันมีอาการแบบนี้เราเจอไปบ่อ ย, ยเราก็ฉลาดขึ้นเหมือนกับว่ามีคนมาหลอกเราทีแรกก็หลอกสําเร็จนะ แต่มันก็มาอีกนะครั้งที่สองมันก็ยังหลอกเราได้สําเร็จนะมันไม่ได้เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาเลยแต่งตัวเหมือนเดิมแต่พอครั้งที่สามนี่เอาเรารู้แล้วนะเรารู้ทันพอเจอหน้ามันรู้แล้วว่ามันจะหลอกเร า, ม, เรามันจะหลอกเราข่าวหน้าเราไม่เชื่อแล้วพราะเรารู้จักนะเรารู้จักเราจําได้ว่าไอ้นี่นะชอบมาหลอกเราไอ้ความจําได้เนี่ยอันเนี้ย ก็เป็นธรรมชาติหนึ่งของสตินะเป็นคุณสมบัติหนึ่งของสติที่พอเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยเออแล้วถ้าเรามีสตินะมันกลายเป็นของดีเพราะาเราจะรู้จักมันได้ดีขึ้นนะเราจํามันได้แม่นขึ้นต่อไปมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่สามารถจะหลอกเราหลอกใจเราได้หรือทำให้ใจเขวแต่สังเกตไ่าคนทุกวันนี้เนี่ยเจอความโกรธ เป็นพันๆครั้งแล้วในชีวิตเนี่ยเจอความโกรธเป็นหมื่นครั้งแล้วแต่ก็ยังเสร็จมันทุกทีมันเกิดขึ้นทีไรใจก็เขวใจก็คล้อยนะโจรเข้าไปหามันทุกทีปล่อยให้มันเล่าลูกถูกกังเพราะว่าเราไม่เคยจดไม่เคยจําเลยมีหําซ้ําตรงข้ามนะยิ่งเกิดบ่อยเกิดบ่อยในความโกรธเนี่ยยิ่งเกิดบ่อยเท่าไหร่ยิ่งโกรธง่ายมากเท่านั้นยิ่งฟุ้งซ่านมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะฟุ้งซ่านง่ายเท่านั้น ยิ่งคิดลบบ่อยเท่าไหร่ก็ยิ่งคิดลบง่ายเท่านั้นยิ่งเศร้าง่ายเท่ายิ่งเศร้าบ่อยเท่าไหร่ก็ยิ่งเศร้าง่ายเท่านั้นทั้งที่ถ้ามันเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยเราต้องฉลาดขึ้นแต่ที่เราไม่ฉลาดเพราะว่าไม่มีสติเข้าไปดูเป็นแต่ถ้ามีสติเนี่ยเออจิตมันจะเป็นผู้ดูแล้วอะไรมาก็ก็รู้ทันจดจํามันได้ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยกลายเป็นของดีและพอสตินะจดจําอารมณ์ได้การนี้เกิดขึ้นที่ไรใจไม่คล้อยแล้วใจไม่คล้อยใจไม่เขวะใจไม่เชื่อแล้วไม่เชื่อมันแล้วก็จะมั่นคงได้สุดท้ายมันก็จะค่อยๆเลือนหายไปหรือว่าโผล่มาก็ถี่ห่างขึ้นห่างขึ้นห่างขึ้น แล้วเกิดขึ้นแต่ละครั้งนี่ก็เป็นของดีนะนอกจากว่าใจเราจดจดจำได้แล้วมันมีสภาวะาการอย่างไงที่เคยเรียกว่าถีรสัญญานิถี่รัญญาคือการจําได้หมายรู้ในอาการสภาวะของอารมณ์ซึ่งเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของสัมมาสติของจิตที่มีสัมมาสติแล้วเนี่ยการเกิดขึ้นการเกิดอารมณ์แต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญญาด้วยเพราะว่าเมื่อจิตนะ เมื่อเมื่อมีสติเข้าไปดูอ า, อารมณ์หรือความคิดเหล่านั้นเนี่ยมันจะเห็นความจริงที่อารมณ์เหล่านั้นแสดงออกมาก็คือว่าไม่เที่ยงมาแล้วก็ไปแล้วก็เห็นว่ามันก็ล้แล้วแต่เป็นทุกข์นะคือมันมีมาแล้วก็เสื่อมไปดับไปเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจะก่อนเกิดขึ้นทีไรก็ไปเคลียวเป็นเราทุกทีความคิดเกิดขึ้นกับความคิดของเรา อารมณ์โกรธเกิดขึ้นก็ความโกรธของเราหรือกูกโกรธไปคิดว่ามันเป็นเราเป็นของเรานแต่ตอนหลังก็รู้องมันไม่ใช่มันเป็นแค่อาการมันไม่มีตัวไม่มีตนมันจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีมันเกิดขึ้นเองมันต้องเป็นสิ่งสร้างหรือเป็นเหตุปัจจัยขึ้นมาอย่างตอนนี้ถ้าจะบอกให้เรากโกรธเนี่ยเราโกรธได้ไหมเราโกรธไม่ได้หรอกจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะให้ดีใจได้มันก็ดีใจไม่ได้ บอกตอนนี้ให้ให้เสียใจใชมันก็เสียใจไม่ได้จนกว่าจะคิดถึงเรื่องที่ชวนให้โกรธคิดถึงคนที่ก็ต่อว่าด่าทอเราคิดถึงคนที่เขาแกล้งเราทําอะไรไม่ถูกใจเราหรือคิดถึงคนที่เรารักเราพอใจมันต้องคิดก่อนหรือมันต้องเห็นนะต้องมีปัจจัยถึงจะโกรธได้ต้องมีเสียงดังนะต้องมีเสียง ต่อว่าด่าทอมกระทบหูก่อนนี้ยะโปรดได้อันนี้ก็คือว่ามันไม่มีตัวตนนะอารมณ์พวกนี้มันต้องอาศัยเหตุปัจจัยนั้นถ้าเรามันเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยเกิดขึ้น บ, บ่อยๆเราก็จะเห็นความจริงที่มันแสดงตัวออกมาผ่านอารมณ์และความคิดเหล่านี้นะถึงแม้มันจะเป็นนิวรณ์ก็ตามนะถึงแม้ว่าจะเป็นนิวรณ์มันเกิดขึ้นแต่ก่อนมันเกิดขึ้นทีไรเราเสร็จมันทุกที แต่ครั้นี้พอมันเกิดขึ้นที่ไรโอ้เราได้ปัญญาเพราะเราเห็นสัจธรรมนะเห็นความจริงจากไอ้นิวร์เหล่านั้นจากกิเลสเหล่านั้นก็กลายว่ามันทําให้เราฉลาดขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าไปอย่าไปกลัวอย่าไปรังเกียจมันนะเพราะว่ามันมีประโยชน์อยู่เหมือนกันแต่ว่าไปนั่นมันไอ้พวกนิวร์หรืออารมณ์ความสิ่งครอบงำเหล่านี้เนี่ยมันเหมือนกับถังนะถังใหญ่ๆที่มัน ครอบเราไว้เวลามันเกิดขึ้นทีไรมันครอบงำจิตเวลามันครอบงำจิตทีไรนี่เราหลงเราเป็นทุกข์นึกภาพนะถังจะเป็นหม้อใหญ่ๆ ห, หรือว่าถังถังน้ํามันเนี่ยถ้ามันครอบเรานะเราก็มืดเราก็หลงเราก็อึดอัดนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราไม่มีสติใจมันก็คล้อยตามยอมให้ถังนี้มาครอบได้แต่พอเรามีสติมีปรรยยนะัญญาเราออกจากถังนะ นอกจากเราจอกจากถังนะไม่ปล่อยให้มันครอบงมได้แล้วเนี่ยเรายัางสามารถจะขึ้นไปบนถังได้ทำให้เราเห็นอะไรชัดขึ้นไอ้ถังน้ามันเนี่ยนะถ้าใช้ไม่ถูกมันก็ครอบเรานะจนมืดแต่ว่าถ้าเรารู้จักใช้มันนะมันก็กลายเป็นฐานให้กับเราทำให้มีความมั่นคงมองอะไรได้สูงขึ้นไกลขึ้นนิวรเนี่ยนะมันถ้าเราโง่นะมันก็ครอบเราแต่ถ้าเราฉลาดเราก็ใช้มันเป็นฐานใหเรามองอะไรได้ชัดเจนขึ้น ขึ้นไปบนถังน้ำถังน้ามันเนี่ยนะมันก็มันก็มีฐานที่มั่นคงขึ้นต้องฉลาดนะอย่าให้มันครอบเราแต่เราต้องใช้มันเป็นฐานปัญญาก็จะเกิดและจิตก็จะ เ, เรียกว่ามีความเป็นอิสระมากขึ้นข้ามเนื้อผู้กิท่านนี้นะครับะ